พุทธรรมฉบับปรับขยายบทที่สิบบทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพานเผยพระต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้ามตัดต่อแก้ไขก่อนจะรับอนุญาตนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ประภยัยจิตหันกลางรอบครัวสีโพคารอบครัวทรงพลสุภาพรเทียนบุญประเสริฐพนมรักเพชรเสถียรอจรากรภัทละสุวรรณนาคารรอบครัวอารินู กุลิศรากิจบำรุงรุ่งโรดยอดบุตรดีตรีรัตทารวันนัผววันนิวแมนการพิชยาใจทิตาปัญญาโกจันวราพัดปิงยศอังคณามุนทาทิบกุลนาทิตามุงคลสิริครอบครัวงามสุริยพง์ครอบครัวคำสุภาครอบครัวโถสกุลธีระวุฒิสายมากแก้วร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามนะครับ ขอทุกท่านเจริญในทางกุศลยิ่งขึ้นไปขอจงพ้นภัยอันตรายทั้งปวงรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในเร็ววันนี้ด้วยเถิดสภาพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง